วันนี้เอาไอซ์ซายไว้ตอนท้ายเนาะทอซ์ซ า, ายแล้วก็ทานข้าวเลย ไ, ได้ไม่เหนื่อยเกินไปก็ในช่วงที่เราปฏิบัติช่งชวงเช้านี้เราจะใช้องค์ของสติสัมผัสชงหมายถึงว่าสติที่มันผ่านจาก เป็นความรู้สึกตัวที่มั น, มนพัฒนาจากสติปัฏฐานมาเป็นสติสัมปชุนสติปัฏฐานมีสีใช่ไหมวิจนากายเวทนาจิตธรรมแต่พอไปสัมปชงมันมีจิตก็มีวิจนาเรื่องสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสิสมาธิอุปขา มันสติในสัมมุช ง, งเป็นองค์ของวิปัสนาโดยตรงแต่สติในสติปัฏฐานนั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาดังนั้นเองก็มาถึงจุดนี้ก็อยากจะให้เราจับประเด็นในเรื่องของวิปัสนาให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําปนกันมาระหว่างทั้งสมถะวิปัสนาแต่องค์ที่จะยกเข้าไปสู่ตัววิปัสนาโดยตรง ได้ก็คือสติที่เข้าไปพิจารณาถึงภาวะตื่นรู้ของจิตโดยเฉพาะนะแต่การพิจารณาการตื่นรู้ของกายเรื่องเวทนาต่างๆที่เราตื่นรู้มันว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงจะเป็นสติประฐานนะแต่พอไปพิจารณาเห็นความตื่นรู้ของจิต เป็นสติในสัมผัสชงสัมโัชชงอีกอันหนึ่งใช้คำว่าอนุปัสนากายอานุปัสนาสติประฐานใช้คาว่าอนุปัสนาคือการตามดูตามดูตามเห็นเรื่องไปในกายทั้งหมดอะแล้วตามดูมันเนี่ยนี่เป็นทางสมถะและวิสนาแต่พอมาสัมโพชชงเนี่ยให้ไปพิจารณาการตื่นรู้ของจิต การถึงดวงของจิตให้พิจาราอยู่สองสองเรื่องที่ท่านกล่าวไว้ในสิบวรฐานว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอวิชาธุมนัตสั่งไปถึงทำเมธามานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอวิชาธุมนัตสั่งพิจารณาสองเรื่องทั้งหมดอ่ะคืออภิชาได้ถูกมนัด อภิชาตุมนัตดังนั้นเองอภิชาตุมนัตมันก็โยงไปหาเรื่องสองเรื่องนั่นแหละที่เราพูดถึงเมื่อวานเรื่องสองเรื่องเมื่อวานที่เราเน้นเมื่อวานคืออะไรเมื่อวานสองวันสวันที่ผ่านมาเราเน้นอยู่สองเรื่องเรื่องอะไรเรื่องไวยังือ คือเอาเรื่องที่เราเนตตะ ว, วันไปไปใไข้ครวนตอนเดินโยงกลมุมเพื่อที่จะให้เอาไปเป็นบทการปฏิบัติเรื่องอะไรนะจําได้ไหมสองเรื่องยังใช่ไหมอยู่นะยังไม่แน่ใจใเรื่องอะไรทุกอย่าอ่าก็สองเรื่องเรื่องเกิดและเรื่องดับจำจาหลักของเรื่องไว้ให้ดีอ่ะพวกมันจะโยงไปสู่เรื่องอะไรทั้งหมดในทั่วจักรวาลเลยนะจากการเกิดดับ E. มันขยายขึ right? right? profiles, right? <Yeah. S 1> ้นมาหน่อยเรื then, <ına S 2> <inaudible subject> ่องว่าเป็นเรื่องอะไรรูปกับนามใช่ไหมแล้วก็บอกเรื่องเกิดเป็นรูปเรื่องดับเป็นนามอย่างนี้นะก็ขยายไปคือทําไมมันเกี่ยวข้องด้วยอภิชาและโทุมนัทเกี่ยวข้องด้วยอภิชาคือความพอใจโทุมนัทคือความไม่พอใจใช่ไหมอภิชาคือความชอบใจโทุมนัทคือความไม่ชอบใจอภิชาคือความถูกใจโทุมนัทคือความไม่ถูกใจอะไรเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่องเกิดเรื่องดับ ทีนี้พอมาเรื่องของธรรมวิจัยสัมพุทธชงเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาการที่เราพิจารณาเห็นการเกิดดับที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ถือว่าเป็นธรรมวิจารหรือธรรมวิตกไม่ถือว่าเป็นธรรมวิตกธรรมวิจารธรรมวิตกธรรมวิจารหมายถึงเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดมาพิจารณาเป็นเหตุเกิดทุกข์ ถึงจะเป็นธรรมก็จริงแต่ยังเป็นเหตุเกิดทุกเพราะเป็นเรื่องอดีตอนาคตใช่ไหมแต่ธรรมวิจัยเนี่ยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้มาพิจารณาเช่นเวลาเราเดินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมีหนักมีเบาใช่ไหมมีคิดมีไม่คิดมีพอใจมีไม่พอใจเกิดขึ้นสลับกันไปสลับกันมาตลอดเวลาการหยิบยกเอา เอสภาวะทั้งกายทั้งจิตที่มันกํำลังเกิดขึ้นมาพิจารณานี้เรียกว่าธรรมวิจัยต่างกันไหมเหมือนมันใครก็มากธรรมวิจัยกับธรรมวิจารนี่ไหมธรราวิจารณ์หมายถึงว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องปรุงแต่งด้วยปุญญาวิสังขารคือเป็นเรื่องดีนะแต่มันไม่ใช่จําเป็นในขณะนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นขณะนั้นแต่ตัวสภาวะธรรมหมายถึงตัวสภาวะที่เป็น ขณะนี้เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันนะเมื่อเราหยิบขณะที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันพิจารณาไขขวดเฝ้าดูไปเนี่ยมันก็เป็นตัวธรรมวิจัยเป็นเหตุดับทุกอันธรรมวิจารณ์เป็นเหตุเกิดทุกเป็นสมูทัยใช่ไหมแต่ธรรมวิจัยกับเป็นนิโรธเป็นเหตุดับทุกเพราะว่า ที่ต้องการเน้นย้ําเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นครอบคุมชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะพิจารณาให้ดีเดี๋ยวจะพาพิยาธิและประเด็นประเด็นประเด็นต่อไปเพื่อจะเห็นให้ชัดๆว่าเรื่องการเกิดดับแค่เนี้ยทําไมมันสําคัญล้างหนาอืมที่เราทุกเราอะไรกันว่าเกินมาเนี่ยมันก็เพรายสองตัวนี่แหละแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดปัญญาอิปาาัสนาญาณ ไม่เกิดวิปสัสนาญาณไ ม, ม่เกิดวิปสัสนาปัญญาเราจึงมักจะลืมไอ้สองตัวนี้เราไปไปจําแต่เรื่องปาเหตุของมันใช่ไหมงอืยง่ายๆเนี่ยเรื่องอย่างเราเดินมาไม่เช้าเนี่ยบางคนรู้สึกมีความขุนคล่องอยู่ในใจบางคนก็รู้สึกเบิกบานใจบางคนก็รู้สึกสงบบางคนรู้สึกไม่สงบมันยังมีงแค่นี้ใช่ไหมในใจของเราเนี่ยะหรือว่าใครมีอย่างอื่นบ้าง มีใช่ไหมถ้าคนที่มีความรู้สึกสงบเบิกบานสบายใจอก็ถือว่าได้อารมณ์ไปนะเมืคนรู้สึกเดินไปแล้วขุนมัวส้มองคิดแต่เรื่องอดีตคิดถึงเรื่องการได้การเสียคิดถึงเรื่องของการถูกกันผิดที่ผ่านมามันโผล่ขึ้นมาเป็นระยะๆแล้วก็ขุนมัวเศร้าหมองไม่สบายใจก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหม หรือว่าใครว่าไม่มีมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็พิจารณานั้นแหละทีนี้ต้นเหตุของมันก็คือว่าการเกิดกับการดับบางอย่างถ้ามันเป็นการเกิดในไฟดี <c oughs> ถ้าสิ่งที่ดีนั้นมันดับไปเราสึกพอใจใั้มเช่นเรารู้สึกถึงความสงบรู้สึกว่าเราได้ใช่ไหม สัาพัหนึ่งความสงบเสียไปรู้สึกว่าเราเสียไหมไม่พอใจแต่ถ้าหากการเกิดขึ้นมานะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นต้นชั่วโมงเรารู้สึกขุนมัวเศ้ามองพอชั่วโมงที่สองเรารู้สึกผ่องใสการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอกุศลและการดับไปเป็นของอกุศลน่ะดูเหมือนว่าเราได้ใช่ไหมแต่การเกิดขึ้นของอกุศลและการดับไปของ อากุศลการเกิดขึ้นของอากุศลและการดับไปของอากุศลเป็นยังไง ร, รู้สึกได้หรือไม่ได้ฟังให้ดีนะการเกิดขึ้นของความรู้สึกดีแล้วความรู้สึกดีนั้นหายไปเป็นความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแทนเราทึกเสียใช่ไหมการรู้สึก ดีเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกดีหายไปเรารู้สึกว่าได้หรือเสียนี่คือของที่มีอยู่จริงนะมันก็สลับกันเกิดกันดับเกิดดับดับๆเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไปสําคัญการเกิดว่าเป็นเราได้แต่ไปสําคัญว่าการเสียไปว่าเป็นเราเสียวันนี้เราวันที่สิบห้าสิบหกน่ะเราซื้อหวย ใบหนึ่งใช่ไ่าพอออกไปรู้สึกว่าเราถูกหวยเนี่ยวราที่หนึ่งโอ้รู้สึกใจฟูใจพองเลยใช่มอ่าแต่ออกไปรู้สึกโอ้หวยซื้อไว้เอะมันไม่ถูกสักใบเลยก็รู้สึกเราเสียแต่ก่อนหน้าที่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มีไหมรู้สึกได้เสียนี่มีไหมไม่มีใช่ไหมมันไม่มี แสดงว่าการได้การเสียการสุขการทุกไม่ได้มีมาก่อนแต่พอเราไปซื้อเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นความอยากใช่ไหมความอยากถ้าถูกตอบสนองก็เป็นความสุขเหมือนว่าเราอยากจะได้รวยมันก็รวยได้ถูกหวยใช่ไหมมันก็รู้สึกโอ้ดีใจไม่ใช่ดีใจธรรมดานะลิงรางวัลใหญ่ก็ดีใจแบบลิงโลด กลับไปนี้เลี้ยงคนทั้งบ้านเลยนะข้อนน้าผมเป็นเจ้าภาพเองหลวงพ่อนี่เลย <laughs> <laughs> มันจะได้อะไรตามมาเยอะแยะเลยหมดเอากุฏิหลวงพ่อจะสร้างกี่หลังว่ามาเลยอะไรเนี่ยโอ้มันได้ระเบิดระเบิดเนี่ยเนี่ยความได้แล้วเออจองกุฏิไว้หลังหนึ่งกะว่าถ้าถูกลังวันเนี่ยไปสร้างให้แต่เกิดว่าไม่ถูกลังวันผมไม่ได้สร้างไม่พร้อมนะครับพีนี่ <laughs> เนี่ยไหมแล้วก็เสียไปก็รู้สึกว่าเสียอะไรหลายอย่างเสียจจาไม่ได้ว่าจะสร้างไม่ได้สร้างอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกเสียไปสาเหตุต้นๆมันคืออะไรความอยากใช่ไหมความอยากถ้าเรารู้เท่าทันความอยากเสียแต่แรกเนี่ยการได้การเสียที่ตามมาเนี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้เท่าทันการได้การเสียตั้งแต่แรกที่นี่การได้อย่างการได้มาเนี่ย มันเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงชนดหนึ่งใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยคําว่าได้มาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นลักษณะของอะไรอันนี้จังใช่ไหมแน่แหน่เนี่ยก่อนหน้านี่ไม่มีความคิดแบบนี้นะความอยากแบบนี้ไม่มีแต่เนื่องจากจิตมันไม่อยู่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงของมันก็มีลักษณะสองลักษณะคืออะไรได้กับเสีย แต่ได้กับเสียเนี่ยพอมันมาขยายมาเป็นสามถ้าสิ่งที่ได้มาถูกใจทุกมีไหมไม่มีใช่ไหมทุกขังไม่เกิดใช่ไหมนั่นอันนี้จัง mm hmm. พอมันได้สมที่เราอยากทุกขังไม่มีมีความสุขเป็นธรรมสำหรับเราอนัตตามีไหมไม่มีมันกลายเป็นธรรม แต่พออนิจจังมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเสียว่าจะได้แล้วมันไม่ได้ทุกขังเกิดไหมเกิดอนัตตาเกิดไหมเกิดนั่นเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ให้ดี ว, ว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเกิดและทั้งดับความเปลี่ยนอนิจจังตรงนี้นะถ้ามันเป็นไปอย่างใจเราต้องการรู้สึกเราได้ นั่เป็นธรรมถ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราไม่ต้องการรู้สึกเราเสียไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะทำให้เราไม่สบายใจอันนี้เขาเรียกว่าอ น, นิจจสัญญานั้นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยเราพิจารณานรงความเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นสัญญาตัวนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะ การที่เรามีสติเข้าไปพิจารณาถึงการได้การเสียที่มันยังเป็นอดีตอนาคตเนี่ยมันยังไม่มาถึงนะการถูกหวยได้หวยดีนะแต่ขณะนี้ที่เราได้เราเสียอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรคือได้ความคิดมาความอยากนั้นมานะเราเดินไปแล้วก็อยากสงบสมมติว่าความอยากให้จิตสงบได้อารมณ์เนี่ยมันเป็นหวยลองมาที่หนึ่งใช่ไหม การไม่สงบการฟุ้งซ่านกันง่วงเหงาเนี่ยมันเป็นการซื้อหวยไม่ถูกใช่ไหมเราก็เรูกว่าเสียนี่คือคือเราจะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถ่องแท้ให้ขึ้นใจทีเดียวเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาในการได้การเสียเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากมายแค่ไหนใช่ไหมทุกคนมี รายได้รายเสียประจำวันมีการใช้ใจ่ายประจาวันแต่นั่นเป็นปลายเหตุทั้งหมดแต่ต้นเหตุมาอยู่ตรงนี้ทีนี้พระอริยเจ้าท่านหลายท่านไม่จึงไม่อยากจะยุ่งกับการได้การเสียปลายเหตุเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายทางท่านจิตใจท่านเลยกลับมาอยู่ที่มาดูไอการได้การเสียแล้วไม่อยากจะได้เพราะได้แล้วมันก็จะมีการเสียเกิดขึ้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้ า, าทั้งหลายท่านจึงสลัดออกสลัดออกสลั ด, ออลดออจนไม่มีเหลืออะไรอยู่เหนือการได้การเสียแต่พระสุวดาบรนเนี่ยยังต้องการได้ถึงเจ็สิบเอร์ซนใช่ไหมแต่ถ้าหากวัม น, ม, นมันได้มาตามนั้นเขาก็มีความสุขเจ็ดสิบอร์ซตแต่ถ้ามันได้มาตามนั้นเขาก็มีความทุกข์เจ็ดสิเปอร์เเหมือนกันแต่ยังเหลือความ สบายใจอยู่30แต่ผู้ผุุ้ชนนี่ร้ยทั้งร้อยเลยได้มาก็ร้อยเเสียไปก็เสียใจร้อยเปซเลยนะมันไม่มีเหลืออยู่เลยผู้ดชนแต่พระโสดา บ, บันยังเหลืออยู่เสียใจไป 70% อร์ซรู้สึกยังมีใจชื่นอยู่สาอร์ซ่าพระศิกร ค, คามีถ้าหวังอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ได้อย่างหวังเขาก็เสียใจแค่อะไรห้าสอร์ซใจยังมีชื่นชื้นอยู่อีกห้อร์เซก็ยังดีใช่ไหมพระอนาคามีท่าน หวังไม่ได้อะไรมาน่ะเขาก็เสียใจแค่ยี่สิบห้าเปอร์ซ็นแต่ใจเขายังดีอยู่ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะหันไม่เอาทั้งสองอย่างเลยไม่อยากจะได้อะไรเพราะได้แล้วมันต้องเสียไม่อยากจะได้เงินได้ทองไม่อยากจะได้ลูกแม้แต่ไม่ไม่อยากจะได้แม้แต่ความอยากอ่ะใช่ไหมเพราะความอยากเป็นที่เหตุของการได้มาได้เสียไปเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้านึกแต่ว่าตัณหาจึงเป็นสมุทัยต้นต้นเลยต้องต้อ ง, องละตรนนั้น แต่ในชั้นอย่างเราเราเนี่ยจะละความอยากเลยเนี่ยอมันยากนะทําใจยากเหมือนกันอือยากจะเนาะ อ, อย่างน้อยก็อยากดีอยากสบายอยากสุขอยากทุกข์ดังนั้นเวลาเราในสติปัฏฐานสีท่านจึงให้ละสองอย่างเนี่ยคือละการได้และการการเสียการได้มาอย่างใจเรียกว่าอภิชาการไม่ได้มาอย่างใจเรียกว่าโทมนัสใช่ไหม อาปีสัมปชโนสเศิมาวินัยยโลเกอะพิชาโทมนาสังคําว่าวินัยญาณหมายความ น, นำออกสลัดออกทั้งความชอบหรือไม่ชอบแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมโอ้มันยากมากเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายนะแต่ยังไงก็ตามเราอยู่ในโลกของการได้การเสียเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้แต่เราจะทำไงให้รู้สึกได้รู้สึกเสียให้น้อยที่สุดอันนั้นเป็น สิ่งที่เราต้อ ง, องการสำหรับคนไม่วิปัสนาเลยเนี่ยจะทำใจอย่างนี้ได้ไหมสามารถที่จะจัดการความรู้สึกได้ความรู้สึกเสียตามตามคิดทำที่คิดได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยก็คือการทำใจการข่มใจแตลล่ลึกแล้วมันก็ยังทุกข์อยูอ่ใช่ไหมอัรข่มใจนั่นเองก็เราพิจารณาอย่างนี้ในเวลาเราเดินจงกรมไปมันเบื่อมันเส็งกูเสียละ วมีกี่กูถห้เสียได้มันไม่ได้นั่นมันมีตัต้งต้นตั้หานตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่สะนุกเลยวันนี้ได้ทั้งวันเอาพรุ่งนี้มันไม่ได้เกิดเศร้าหมองอีกวันหนึ่งเราจะเศร้าหมองฝองใส่กับารได้การเสียเนี่ยตาลอดแต่แล้วเมื่อไรเราจะอยู่เหนือมันได้ก็คือมาตั้งต้นที่จะไม่อยากได้และไม่อยากเสียเดินไปเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ง่ายกว่าไหม จะทําใจกั้นได้ไหมทํายากมากเลยแต่ถ้าหักไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะระดับพระอนาคามีเลยนะอแล้วพระอนาคามีเลยจะทาใจงั้นได้แต่เราก็ทําไว้เรื่อยๆเนาะเผื่อว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมันอยู่ที่ปัญญาพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยนะมีสมัยหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านเผยแพร่เรื่องนี้คนกำลังขึ้นกันเยอะพวก กลุ่มมาโศกเาก็กำลังเผยแพร่เรื่องนี้มันเขาก็มาแรงเหมือนกันในช่วงนั้นทีนี้เขาก็ล่าหาสมาชิกดิเกจิอาจารย์คนไหนมีสมาชิกเยอะๆเขาก็เข้าไปอา่าเพื่อที่จะด้เครดิเพื่อจะเทลูกศิษย์ฝ่ายนั้นมาหาตัวเองอย่างนี้เขาไปถามหลวงพ่อเทียนว่าไหลวงพ่อได้ฉันมังสวิรัตไหมหลวงพ่อได้ใส่รองเท้าไหมอะไรเนี่ย เวลาเดินฉันกี่มือถามรายละเอียดแล้วเนี่ยโมเท่นก็ฟังไปพูดจบพ่อบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องคือศีลกินเจไม่ใช่เรื่องรูปแบบแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดปัญญานี่นแหละเรื่องพุทธศาสนา <c oughs> อืมพูดไม่ออกเลย อ้าที่นี่ไปหาอาจารย์พุทธธาตุมัง่งถามแบบเดียวกันนี่แหละอาจารย์พุทธธาตุเขบอกว่าใครกินผักกินมังสวิรัติสำคัญตัวเองว่ากินผักคนนั้นก็เป็นควายเหมงอนนะเพราะช่าวมาว่าควายเมกินผักเหมือนกันเหมนกั น, กนแต่ใครกินเนื้อแล้วสําคัญว่าตัวเองกินเนื้อคนนั้นก็เป็นเสือเพราองกันเพราะพวกสิงสารสัตว์พวกเสือมันชอบกินเนื้อแล้วคุณจะเป็นเสือหรือเป็นควาย มิจัดเลยดิเงี้ยเงียบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้เราเข้าใจผิดกันเยอะนะว่าทำอะไรก็ได้ให้แต่ปัญญามีสองอย่างใช่ไหมปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกับปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เรามาแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องการปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วปัญญาที่ทางชาวโลกใช้กันเนี่ยเพื่อจะได้มาเป็นปัญญา มิจฉาทิฏฐิก็ได้มาทุกคนแสวงหาก็ได้มานะแต่ว่ามันมีการเสียด้วยถ้าได้มาแล้วเสียไปไม่เสียใจโอเคเป็นปัญญาสมาธิถิถิถ้าอยากได้มาแล้วเวลาเสียไปเราเสียใจด้วยนั่นเป็นปัญญายมิจฉาทิฏฐิแต่สิ่งอยตรงนั้นแลวส่วนใหญ่สมนว่าเอาได้มาวันนี้เป็นล้านเลยพรุ่งนี้เสียไปสองล้านทาใจได้ไมไม่ได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่วันนี้ได้มาล้านหนึ่งพูดนี้เสียไปสองล้านเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอออย่างนี้ปัญญาสมาธิเห็นไหมดังนั้นวันวันหนึ่งเราจะอยู่กับการได้การเสียตลอดแต่ทําไมเรามองข้ามันแต่บางบางทีเราก็รู้นะอันนี้มันเป็นอันนี้จังทุกขังนาตาเราหาเรื่องอื่นมากลบซะก็เป็นกรรมของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไป เอาของเข้ามาวันนี้เราเลยเสียไปก็พยายามนึกเพื่อปลอบใจตัวเองอ่ะแต่ลึกๆเราทำใจอย่างนั้นได้ไั้มก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องปลาหีดทังนั้นเลยดังนั้นเมื่อเราศึกษาปฏิบัติในแง่ของสภาวะนี่เราต้องมาพิจารณาทางสภาวะมาเมื่อก่อนนี่สวดกุศลธรรมมาไปปติกาไปบางสกุล น, นับครั้งไม่ถ้วนตามบ้านงานศพ แต่ไม่ค่อยได้นำเอาบทสวดมาพิจารณาแต่พอเราพิจารณาเรื่องนี้ไปพี่มันตวัดได้คิดถึงบทสวดที่เราสวดทัศเนนปะหะตาภาธรรมมาภาวนายาปะหะตาภาธรรมมาเนวทัศเนนปะหะตาภาธรรมมาบทแรกใช่ไหมอันนี้เวลาไปบ้านไปพ้กศบอะไรเนี้ยก็ได้ฟังแบบนี้ยน้บทที่สองต่อมานะทัศเนนปะหะตาาเตุกาธรรมมา ภาวนาญาปหาตภาเหตุุกการธรรมะเนวทัศนีญะปหาตภาเหตทุกการธรรมะบอกว่าบางอารมณ์บางอย่างเนี่ยความอยากบางอย่างละด้วยกันทําความเข้าใจมันก็ละได้บางอย่างละไม่ได้อย่างยมถามเมื่อคนะืนน่ะว่าไอ้ความไอ้ใหญ่ใครนะจะต้องต้องเข้าถามก็คือในะใช่ไหมว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นกุศลอ่า ละละได้ทําใจได้บางอย่างก็ทําไมมันก็มาทั้งกุศลอกุศลแต่ละอารมณ์เนี่ยมันก็มาทั้งสองอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งสบายไม่สบายแต่ละเวลาการเข้าไปเราอยากจะให้ฝ่ายกุศลมันอยู่ได้ไหมแล้วฝ่ายให้ละแต่ฝ่ายอกุศลเราอยากให้ความรู้สึกดีๆมันอยู่แล้วฝ่ายที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้มันอยู่เนี่ยเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมองปั๊บเนี่ยให้ตามองแต่สิ่งที่ดีๆไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ยอมมองมันเป็นไปได้ไหมเพราะเปิดตาปั๊บมันก็เห็นทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมทั้งที่ดีและไม่ดีเป็นหน้าที่เสียงที่มาเข้าหูมันก็ไม่ได้สองเสียงทั้งที่เสียงที่ชอบหรือไม่ชอบดีไม่ดีเจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันหมดมันทําหน้าที่อยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของญายยนะมันนั่นคือต้นกําเนิดของมันว่าทําไมมันมีดีมีชั่วมีมีได้มีเสียเพราะ ธรรมชาตนะิเพราะเรามีสิ่งเหล่านี้จึงมีนะเพราะฉะนั้นเลยเอาความเป็นเราออกจากใจเพราะฉะนั้นเรามองทุกอย่างไม่ว่าดีหรือเสียมีค่าเสมอกันอันนั้นหมายความดึงความเป็นเราออกไปแล้วแต่เมื่อไร ม, มันมีความเป็นเราอยู่เราก็ไปแยกเราแยกเขาใช่ไหมแยกดีแยกชั่วแยกถูกแยกผิดเราจึงหนีเรื่องได้เรื่องเสียไม่ได้ไงเพราะเราเพราะนั้นท่านให้ถ่ายถอนความเป็นเราออก ถอนความเป็นอัตตาออกไม่ใช่ให้เป็นอนัตตานะถอนความเป็นอัตตาออกเพื่อให้เป็นอะไรเป็นปัญญาเพื่อเป็นปัญญาดังนั้นเองพอมันเกิดปัญญาปับ๊บมันก็เกิดปัญญาว่าอ๋อถ้าเรารู้สึกว่าเราได้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เลยเพื่อจะได้ไม่ในเสีย แต่ว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงมันจําเป็นต้องมีการได้และการเสียใช่ไหมเราก็ต้องมาทำใจหมายว่าเมื่อมีการได้ถ้าเสียไปเราจะไม่เสียใจนะเรื่องการภาวนาก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อให้มีการได้การได้แล้วไม่มีเวลาเสียไปไม่เสียใจทำคือได้สักจธรรมได้ตามหน้าที่ไม่ใช่ได้ดยมาความอยาก ใชมถ้าได้ด้วยมาด้วยความอยากคือตัณหาเนี่ยเสียไปมันก็ต้องเสียใจแน่นอนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการได้มาโดยชอบธรรมคือได้มาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมอันนี้การได้มาอย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นธรรมเขาเรียกยุติธรรมเพราะนั้นเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นคนน ร, รูก็เป็นให้ดีที่สุดเป็นข้าราชการก็เป็นให้ดีที่สุดทํำตามหน้าที่อยากไ้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นลักษณะนี้ไม่มีปัญหา เป็นกุศลเป็นบุญเพราะได้ทําตามหน้าที่แต่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอรเซ็นตนี่ยใช่ไหมถึงแม้ว่าเราทําหน้าที่แล้วเราก็อยากได้ใช่ไหมเราทําำเป็นเงินเดือนเท่านี้ยเงินเดือนละหมื่นมันขึ้นสักหมื่นสักหน่อยก็ดีนะใช่มักหมื่นสองหมื่นสามก็ดีเพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้าตอนที่ไม่มีเงินเดือนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีนะใช่ไหม แต่พอได้เงินเดือนแล้วอยากจะได้เพิม่มปีละสามขัน้นห้าขั้นขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้เพิ่มอย่างนั้นวันหนึ่งเกิดรถถูกรถขนเงินเดือนไปไงเสียใจอย่างมหาสารเลยนะถึงแก่นั้นอันนี้คือขอ้อแท้จริงในในชีวิตจริงนะแต่ว่านั้นมันเป็นปลายเหตุแล้วคนไม่วิปัสนาเนี่ยจะทําใจกับเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะเราได้แฟนมารักมากใช่ไหม วันหนึ่งเราเสียแฟนไฟก็ต้องเสียใจอีกอะกรณีเดียวกันหมดอ่ะเยอะเกินหมดอะไรผู้ที่เจ้าถึงบอกว่าไม่ควรทำคนและสัตว์ให้เป็นที่รักเพราะมีรักที่ไหนก็มีภัยที่นั่นรักที่ไหนก็ถ้าก็ตัดเป็นอมตะอย่างนี้ตลอดแล้วรับได้ไหม ม, มีใครทำได้ไหมถ้าไม่ภาวนาเนี่ย ทำไม่ได้นะแม้แต่ภาวานาเนี่ทําใจยากเลยเยอะอยู่บ้านเรายังลักหมาตัวนี้มากมากเลยครับมาแต่ต้องมาไม่ได้เนะกลับไปนี่บอกให้คนใช้ที่ฉันไม่อยู่ให้แกเอาเข้าวให้มากินหน่อยนะกลับไปคนณชัมันหนีไปเที่ยวเฉยเลยไม่ได้เอาเข้าวให้มาเรากินเลยเป็นไงไอกรรมฐ า, านที่เราไปดีๆนะหายหมดเลยนะอ <c oughs> อันนี้คือข้อเท็จจริงนะใช่ไหมคุณเฉลิมชยัย แอบเลี้ยงอะไรไว้ที่บ้านบ้างกลับไปเจอจะไปคุณมัวก็แล้วกันอะไรที่สั่งคนใช้เอาไว้เนี่ยสั่งเพื่อนเอาไว้เนี่ยอันนี้ท่านจะไปภาวนาสักเดืนวันบ้านติดกันฝักบ้านไว้หน่อยก็แล้วกันนะเพื่อนมันก็ไม่อยู่บ้านอย่างเรามัถกไปของหายโกรธเพื่อนอีกเรื่หนักแล้วก็เสียใจของหายดังทางเนี่ยเห็นไหมมันก็ดับเบิลไปอย่างเงี้ยทั้งๆั้งที่ภาวนาประโยง ก, ยกอันนี้คือ เวลาเราภาวนาเนี่ย<ม>ก็จึงอยากจะให้หยิบยกสิ่งที่มาพิจารณาบ่อยๆเพื่อให้มันคุ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราพิจารณาปับ๊บมันจะทําใจได้ง่ายกูว่าแล้วกูคิดแล้วพอรู้สึกได้อย่างนี้ปับ๊บไป็นไงใจชื้นขึ้นมาทันทีใช่ไหมไอ้ของที่มันจะเสียมากมันก็รู้สึกเออของเสียไปแต่ใจไม่เสียมันก็โอเคกว่าใช่ไหมแต่คนไม่ภาวนามันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทางจะทําใจได้เลยร้อยทั้งร้อยนะ ดังนั้นเวลาเราภาวนาเราตั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมต้องพิจารณาถึงการได้าการเสียให้เป็นนิสัยเอาไว้บางคนทําไปเรื่อยๆเปื่วยๆไม่ได้จับประเด็นเหล่านี้เข้ามาเนึ่งถ้าเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ทำใจไม่ได้เพราะในช่วงนั้นมันไม่เกิดปัญญาความเพียรแต่ไม่เกิดปัญญาเพียร น, นั้นมันก็ไม่ทําให้เกิดทักษะในใจใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้ไปพิจารณาเป็นธรรมวิจารณ์นะอันนี้ต้องแยกให้ดีนะธรรมวิจารณ์หมายความว่าสิ่งที่เรากาลังพิจารณาไม่สัมพันธ์กันกับขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมวิจารณ์ทั้งหมดเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำให้เกิดความอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านนาเอาเรื่องอันนิจจังทุกขังนั้นที่เกิดในอดีตมาพิจารณาก็เป็นธรรมวิจารณ์เป็นเหตุเกิดทุกข์นำานนนนนนมาเรื่องอันนิจจังทุกขังนั้นหรือธรรมะข้อดีๆยังไม่เกิดเนี่ยเอาไปพิจารณาขณะนั้น ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นสมูทัยแต่นําสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแก่เราขณะเ น, นี้เดี๋ยวมันยุ่งมันกัดมันขันใช่ไหมเราอยากให้มันกัดไหมไม่อยากไอความอยากแล้วไม่อยากเป็นเหตุของอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมเราก็กระวนกระวายอะไรอย่อยางนีหาอะไรอยากกันยุ่งอยู่ไหนอะไรนั่นใช่ไหมแ ล, แล้วก็พิจารณาพอเราได้สติอ๋อ เราไม่อยากจะให้ยุ่งกัดเพราะเราอยากจะให้ไม่ยุ่งกัดอยากจะสบายใช่ไหมเราอยากในความสบายเพราะนั้นอะไรมาไต่มาตรอมเราก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญความไม่อยากเกิดขึ้นเป็นวิภวตัหาความไม่อยากความอยากอยากสบายปกติไม่มียุ่งเป็นกามตัญหาแต่พอมาโวนเข้าเป็นวิภวตัญหามันเกิดในขณะนั้นเลยอ่ะแล้วรู้ทันมันหรือเปล่า ก็เพราะเราเมื่อแด่ลำเรื่องนี้มาใข้ควรเป็นเป็นนิสัยของจิตเมื่ออะไรมากระทบปั๊บมันนึกไม่ทันว่าอันนี้คือความอยากว่าความเป็นกูเป็นมึงขึ้นหรอมึงอย่ามากัดกู <c oughs> กูจะภาวนาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> บทภาวนาเป็นไงเสียไปไหมก็เสียไปเลยอ่ะทาไมอะไร่ไปสารพัดเลยทีเนี้ยแต่แทนที่จะให้สติขึ้นมาอ๋อ นะแล้วก็เรามีหน้าที่ปัดปลายไปหรือไม่ต้องอยากว่าให้ไม่อยากให้มันกัดหรือไม่กัดถ้ามึงเกิดมามึงไม่ถึงสี่วันมึงก็ตายมึงก็ต้องรีบทำหาหกินเพราะมึงตายภายในสี่วันแต่กูอยู่ไปเป็นร้ออยปีนะมึงทําถูกต้องแล้วอยู่มนะันขอบคุณมันเลยเดี๋ยวฉันจะนั่งให้แกกินสักตัวสองตัวมันก็เกิดมิติใหม่ขึ้นมาเพราะเกิดกุสูญลจิตเกิดให้สติใช่ไหมดังนั้นไอ้ตัวตัวที่เรา ธรรมวิจยะเนี่ยสำคัญตรงนี้เองที่เช้าวันนี้ที่พูดต้องการเน้นตรงนี้นะธรรมวิจยะคือนําสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนั้นนะมาพิจารณาอยู่เสมอในช่วงภาวนาไม่ใช่ทําไปทื่ๆอๆซื่อๆไอ้ไอคําว่ารู้สึกซื่อๆนี่มันมีความหเหมือนถ้าเราเข้าใจถูกก็ถูกไปเข้าใจผิดก็ผิดเลยนะเข้าใจผิดก็หมายความว่าซื่อแบบไม่รู้อะไรแบบซื่อเบื่อเขาเรียกว่าอุเบกขาวเวทนาแต่ซื่อแบบ เฝ้าดูอย่างระมัดระวังซื่อแบบนั้นแบบแบบแบบยาวอ่ะมันเฝ้าดูเนี่ซื่อแบบนั้นมันพร้อมที่จะจัดการทันทีที่มันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาปากลใช่ไหมนั่นซื่อซื่อแบบนั้นเหมือนกันเราเฝ้าดูอาการหนักเบาเข้าออกสบายไม่สบายดูซื่อแต่ถ้ามันเกินขอบเขตที่เราจะนี้ได้ก็จัดการทันที อันนี้ไม่เรานั่งแช์ทั้งง่วงทั้งเหงาทั้งปวดทั้งเวรเชียบย่งนั้นเขาบอกให้รู้ซื้อๆฉันก็ซื้อๆอย่างเงี้ยมันก็เรียกซื่อบื้อเนี่ยจะซื่อมีปัญญา่อเคยเทหวว่าห้ามยุ่งไม่ให้ตอมไม่ได้แต่แต่ห้ามไม่ให้กัดได้อันนี้หมายวา่ไห้ามยุ่งไม่ให้ตอมพาะมันทาหน้าที่ของมันห้ามไม่ได้ห้ามกันได้ก็เราก็มีสติก็ปัดปลายมันไปห้ามได้แต่มันตอม ก็ไปห้ามันได้เพราะมันยังไม่ทําอะไรเราใช่ไหมเราจะไม่ไล่จบมันก็เราก็ผิดศีลละทีเนี้เออถ้าท่าว่ามันกัดแล้วเราไปตกโอเคผิดรครึ่งละครึ่งเนี่ยเราก็ผิดครึ่งหนึ่งมันก็ผิดครึ่งหนึ่งเจ้ากันไป <c oughs> <c oughs> <enjo. S 1> ว่าไงถ้าเราพิจารณาทํบุญเจิญญาติพิบัติแล้วว่าหามันจะฟุ้งซ่านด้วยไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่าถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นคุณพิจารณาหรือพิจารณาเกินเหตุมันฟุ้งซ่านก็ <c oughs> ในสิ่งที่เราพิจารณาให้พอดีแก้ไข ใช่สมมติพิจารณาแล้วมันเกินไปคุณก็ อ, ออกใช่ไหมแต่มันพอดีคุณก็ดูมันเฉยเฉยแต่ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วก็รู้สึกปวดคุณก็ไม่ออกคุณคิดพิจารณาอย่างนั้นอันนี้ฟุง้งซ่านแล้วดีให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อละพิจารณานั้นเรียกว่าทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมพิจารณาตังนี้นคือกําหนดรู้ท่านใช้คำว่าปริยัตทุกต้องกําหนดรู้การกําหนดรู้ตรงนั้นเขาเรียกคือไม่ใช้คําว่าพิจารณาการตามรู้ ออกมาถึงไม่อยากจะใช้คำว่าพิจารณาเพราะมันใช้คำว่าธรรมะวิจารณ์คําว่าวิจารณกับพิจารณาเป็นคำเดียวกันตามรู้นี่ก็คือธรรมะวิจารใช่<า>เป็นธรรมะวิจัยใช่รราตามรู้เพื่ออะไรตามรู้เพื่อละเหตุที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละมันแต่ในส่วนตามรู้ทางกายท่านใช้คำว่าบำบัดในส่วนที่เป็นสมู ท, ทัยท่านเรียกว่าตัดไป ร่างกายเนี่ยเราจะตัดไปทุกข์เลยนาโดยเด็ดขาดจากกายได้ไหมไม่ได้ได้แต่บาบัดทำหนักให้เป็นเบาเท่านั้นแต่เที่มันไปเกิดกับใจที่มันพอใจไม่พอใจตัดได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นนามธรรมาไม่มีสารแบบรูปธรรมเออตรงนี้แหละอันนี้สำคัญนะพเพราะเผลอนิดเดียวมันกลายเป็นวิจารแต่ถูกนิดเดียวมันกลายเป็นวิจัย นี่คำว่าวิจัยก็ล็อกไปว่าตามรู้ให้ชัดประชานติตามรู้ให้ชั ด, ช, าา ช, ดชัดเพื่ออะไรถ้ามันเกินจำเป็นเกินเหตุที่ทนไม่ได้ตัดออกบำบัดออกไปทางกายนะทางใจมันเกิดไปชอบไม่ชอบตัดทันทีนี่ตามรู้เพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ได้ตามรู้เพื่อสิ่งนั้นมันกลายเป็นพิจารณาอาการทางกายไม่ค่อยหน้าไว้ใจฉันก็ไม่บาบัดเข้าไปเป็นความพอใจไม่พอใจฉันก็ไม่ตัด อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิจาร์และไม่ใช่วิจัยเข้าใจนะโ okay. อเคพยาามนั้นเวลาทำความเพียรเพือว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะให้เฝ้าดูเรื่องอย่างนี้อย่างใกล้ชิดแต่ละวังว่าอันมันจะเป็นวิจัยหรือวิจารณ์แต่มันแฉลบเป็นเรื่องของวิจารณ์นี้ง่ายมากเพราะเป็นนิสัยเดิมของเราใช่ไหคือพิจารณาเกินจำเป็นเกินเหตุ มันมีเข้าความจริงอยู่นะความปวดก็มีจริงอยู่คือความปวดนี่ไม่เที่ยงนะเป็นในิจจังทุกครั้งหน้าตาสัตว์ทั้งหลายก็มีความปวดเป็นธรรมดาไปเลยแต่เดืวปวดเปิดเปิงไปเลยมันก็เลยลืมสภาวะที่ปวดจริงๆในขณะนั้นนะใช่ไหมเนี่ยมันมันแล้วก็คนทั่วไปในแง่ของสมถะ า, าก็สอนกันแบบนั้นใช่ไหมเมื่อพิจารณาแล้วให้ยกขึ้นสู่ใจรักให้พิจารณาเป็นในิจจังทุกครั้งหน้าตาโดยที่ไม่เห็นสาระที่แท้จริงของนิจจังทุกครที่กำลังปรากฏ มุญญาณว่าไงในแง่ของวิปัสนาเนี่ยให้สลัดไปทั้งสองอย่างทั้งความคิดดีและไม่ดีอะ่ะใช่ไหมทั้งดีและไม่ดีทั้งชอบสลับไปก่อนเป็นถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวข้องด้วยกําลังสภาวะแก้ไขปัญหาตรงนั้นเป็นวิจารณ์หมดใช่ถ้าแก้ไขาตามรู้และบาบัดเป็นวิจัยถ้าเขาไปสู่ใจเกิด ค, ความชอบไม่ชอบตัดออก ก็เป็นวิจัยแต่ไปพิจารณาร่างกายคนจะบาบัดคุณไม่บำบัดสิ่งเข้าไปสู่ชอบไม่ชอบเข้าไปใจเกิดขึ้นแทนที่จะตัดคุณไม่ตัดอันนี้เป็นวิจารณ์ละมัวไปคิดในสิ่งที่เป็นกุศลดีๆทั้งนั้นแต่เหตุปัจจุบันคราวนี้คุณไม่จัดการเป็นวิจิวจารณ์หมดถึงน่ายจะเป็นกุศลก็ตามท่านใช้คําว่าปุญญาพิสังขารท่านไม่ใช้คําว่ากุศลกุศลนั่นแปลว่าตัดนะกุสลอะไรนั้นนะ่ะตัดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเรียกว่ากุศล แต่ว่าที่เราไปพิจารณาแบบนั้นเขาใช่ว่าปุญญาพิสังขารยังพิสังขารอยูเ่เพราะมีสามสังขารใช่ไหมที่เราควรจะตัดหนึ่งปุญญาวิสังขารในเรื่องดีแต่ไม่จําเกี่ยวข้องด้ว ย, ด, วยด้วยความจริงคุณเขต้องตัดไปก่อนในเรื่องไม่ดีแน่นอนต้องตัดแน่นอนอาปุญญาพิสังขารเรื่องไม่ดีต้องตัดทันทีเลยแล้วก็ในเรื่องที่ยังไม่ดีไม่แน่ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ต้องตัดไปก่อนเป็นความสงสัยท่านใช้คำว่าอะเนินชาพิสังขารสังขารทั้งสามตัวเนี้ย ขึ้นอยู่ที่เจตนาเราเ อ, อเราปล่อยให้มันปรุงเพื่อที่ต้องการเห็นสภาวะอะไรบางอย่างให้ชัดเีงนะอะปรุงลองปรุงไปละะักษณะนี้เราเป็นผู้จัดการถือว่าเป็นธรรมวิจัยแต่คุณปรุงไปโดยที่จัดการอะไรกับมันไม่ได้เป็นธรรมวิจารณเป็นอากุศลละแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็ตาม น, นะปรุงในเรื่องนี้ก็ตามก็ยังเป็นอกุศลเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะปัจจุบันปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ไขึ้นอยู่เราเป็นผู้จัดการหรือเราเป็น มันจัดการเราหรือเราจัดการมันอยู่ตรงนั้นเดาใช่ไหมถ้าเราจัดการมันโอเคมันมันเป็นธรรมวิจัยถ้ามันจัดการเราเป็นธรรมวิชารณ์ทีนี้เข้าใจแล้วจะไปประเด็นต่อไปว่าเมื่อเราขณะที่จเจริญภาวนาอยู่ปรารกความเพียรถ้าคุณได้เต็มไปได้วยความเบือ่อความหนายความเซ็งเรื่องเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาอะไรพวกนี้เป็นธรรมวิชารหมดนะเป็น เป็นอกุศลหมดเนี่ยถึงบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติทั้งนานปฏิบัติตั้งเยอะทําไมมันไม่ไปไหนอ่ะก็ไปอยู่ในอกุศลตลอดไจะไปไหนหทําเหมือนกันแต่ว่ามันไปไปคุละทางอะ่ะใช่ไหมทําไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดตั้งแต่วันแรกก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสภาวะลองรับถ้าพูดแต่วันแรกก็เป็นธรรมวิจารณ์อยู่ดีไม่เป็นธรรมวิจยัยให้แต่มาพูดณวันนี้มันเริ่มแยกออกแล้วว่ามีสภาวะรองรับ ว, วิจยัยมันคืออย่างนี้ คือมีเหตุแล้วเหตุให้เกิดขึ้นก็ ว, วิจัย ม, ม, มีตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาความหนักความเบาความชอบไม่ชอบความเย็นรอนอ่อ น, ออนแข็งเค่งตึงทุกมีตลอดเวลาธรรมวิจัยก็ทํำได้ตลอดเวลาคือการบําบัดทุกทางกายและตัดเหตุของทุกทางจิตมีได้ตลอดเวลาแต่ร่างกายที่มันเกินจําเป็นเกินเหตุของที่มันก็แชละข็งเข้าไปสู่ อย่าว่าแต่ทุกนะแม้แต่ความสบายเกินเหตุมันก็ทําให้เกิดอะไรสูนัดใช่ไหมเกิดอภิชายอยากให้ได้มากๆอยากให้สู ม, มากตัดไหมต้องตัดแต่โดยที่เราไม่ได้รายละเอียดเรื่องธรรมวิจัยเรากับชอบใช่ไหมชอบอยาะให้สงบมากกว่านี้อยากให้ลึกมากกว่านี้อยากให้นานมากกว่านี้เห็นไหมนี่เราแยกไม่ออกเลยก็กลายเป็นอภิชาเพราะมันไม่นานอย่างที่ใจคิดเพราะมันไม่ สงบลึกอย่างที่ใจคิดรู้สึกธิ์ไม่ชอบเระบันทอดไปละโอ้ไม่น่าเลยไปทําอะไรใครสมมุติมีใครมาชวนคุยการงสงบดีๆนี่นะมีใครมาชวนคุยมึงไม่น่ามาชวนกูคุยคุยคยสงบดีๆมันกลายเป็นโทรมนัดไปเลยอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเหี๋ยวนี้มันจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดมากใ น, นการภาวนาให้ยังไง ใ, ให้ให้ดูอะไรต่างๆให้ละเอียดขึ้นมันมีอ่ะถ้ามันไม่มีเหตุให้ ให้ดูทางใจก็มาผิดดูทางกายให้ชัดๆทางกายในฝ่ายบวกก็หมายของว่าเราเพลินในสุขทางกายในฝ่ายลบก็คือเราเพลินในความทุกข์เมื่อตัวเพลินนั่นเองมันจะทําให้สุขความสบายไม่สบายของกายไปเป็นตัวความสบายชอบไม่ชอบของจิตมีตัวเพลินเป็นตัวพุทธิยถาท ต, ตรัสเสมอว่าให้ละนันที่ ให้ละนั่นที่ให้ละความเพลินเพราะตัวเพลินนี่มันจะเชื่อมต่อความสบายกายไม่สบายกายไปสู่ความชอบไม่ชอบของจิตยากไหมที่จะละความเพลินเพราะอะไรเพราะในชีวิตจริงของเราต้องการให้มีความเพลิดเพลินอยู่แล้วแอน o อยโยมิวอ่ารู้สึให้สนุกกับการกินมื้อนี้ของคุณก็เลยวนะ jo y จอยโยดริง ให้สนุกยกับกันดื่มก็แล้วกันถ้าทําอะไรไม่สนุกไม่เพลินะรู้สึกไม่มีความสุขเลยใช่ไหมนี่ย ม, มันยากเพราะว่ามันเป็นนิสัยของทุกคนต้องการให้เกิดอยู่แล้วแต่วันนวันนี้เรามาต้องการให้ตัดมันเนี่ยมันไม่ใช่ให้ละมันมันอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทําได้พุทธเจ้าว่าทําได้ด้วยการพิจารณาของโทษของมันวันนั้นที่มีโทษมีโทษตรงที่ว่ามันเชื่อมต่อสุขทุกข์ภายนอกไปสู่สุขทุกข์ภายใน ดีชั่วภายนอกไปสู่ดีชั่วภายในแต่ถ้าเราไม่เพลินในสุขในทุกเสียนะสุขทุกภายนอกดีชั่วภายนอกก็ไม่สามารถจะไปเป็นสุขทุกและดีชั่วภายในได้เพราะอาศัยตัวเพลินเป็นสะพานนะเพราะฉะนั้นเวลาทําไปให้ตรวจแทนที่เราตรวจสอบที่ความสุขความทุกจะตรวจสอบที่ไหนความเพลินความแช่ในสิ่งนั้นอาจารย์แล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วมันรู้สึกสงบดีเราจะละไง ก็ก็เห็นความสงบพิจารณาความสงบว่าความสงบนี่เป็นไงมันอยู่ได้นานไหมมันคงที่ไ้ยก็ดูมันดูว่ามันคงที่ไมไม่มโดยที่ไม่ต้องไปเสพแต่ก็รูว่าเออเนี่ยความสงบเกิดแล้วรู้ฉันจะดูมันจะอยู่ได้แค่ไหนลักษณะนี้นถูกอ่ะเพราะเห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปของมันสักพักนึงพอมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้เกิดความรู้สึก เปลี่ยนแปลงในใจใช่ไมว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นอนิจจังทุกขังละอะนัตตาเพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันแปลปรวนนะยังไงให้รู้สึกตัวต่อไปเนี่ยโดยที่ไม่พิจารณาสภาวะที่เกิดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราเพิกเฉยต่อสภาวะนั้นเสียพิจารณานั้นไม่ถูกตัวนั่นเขาเรียกอุเปก ข, ขาวเวทนาคือเป็นลักษณะ ซื้อรืดออกมันไม่ใช่เป็นอุเบกขาสามพุชงแต่ถ้าหากว่าเราดูว่าเออเนี่ยมันเกิดขึ้นนะความสบายความปลื้มความเบิกบานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ฉันจะพิจารณาต่อไปว่าภาวะอเนี้ยมันแปลปรนไหมมันเที่ยงไหมพิจารณาดูมันไปเรื่อยๆมันอยู่ได้อะไรก็พิจารณาไปทันโดยที่ไม่ต้องไปเสกมันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นน่ะอันนั้นคือเป็นอุเบกขาสามพุชงเป็นธรรมวิจยย ธรรมวิจยะจะนําไปสู่เปรคาสำเพ็จชแต่ธรรมวิจารจะนําไปสู่อุเปรคาเวทนาเอามาถึงแบบอ่เปรคาเป็นว่านะซื่อแบบไม่รู้ซื่อรูซอ้ซื่อแบบไม่ไม่ถูกเป็นอะไรเขาว่าเรียกอะไรซื่อบื้อใช่ไหมแล้วลักษณะนั้นะแต่รู้ซื่ อ, อแต่ลักษณะกำลังเฝ้าดูเขาอเปรคานี่เราใช้คํานี้จนชินหูนะแต่รู้่าโนมาอย่างไงคำคเนี้ย ใช่ไหมอุปะมานจะค า, าอุปะคำหนึ่งกับอีขาคำหนึ่งอีขาแปลว่าเห็นอุปะแปลว่าเข้าไปเห็นเข้าไปเฝ้าดูไม่ใช่เฉย ๆ, ๆนั่นแหะแต่เรามาแปลว่าดาูวางเฉยแต่คนเจรยวเข้าไปดูเข้าไปดูไม่เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่แก้ไขเข้าไปดูเฝ้าดูเอาไว้แต่เมื่ออะไรขยับปั๊บที่มันผิดปกติไปให้จัดการทันทีนั่นคือเรื่องอุปเปขาเข้าไปดูอาการ คือเท่ากับยามนั่นเองอุเบกขาเดนินเท่ากับยามเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมันก็นั่งอยู่เฉยๆนะยามสภัยปืนเดินไปทั้งวันไม่มีเหตุอะไรแต่เมื่อมีเหตุอะไรที่ผิดปกติขึ้นมาพร้อมจัดการชาร์จทันทีนั่นคือลักษณะของอุเบกขาที่เป็นสัมโพชงนั้นปัญญาที่เฝ้าดูเพราะฉะนั้นตัวอุเบกขาคือตัวปัญญาเฝ้าดู ดูเข้าเปลี่ยนแปลงว่าปกติไหมถ้ามันปกติโอเคก็ดูไปเรื่อยถ้าผิดปกติปับจัดการทันทีนั่นคือลักษณะของอุเเคห์เพราะมันคือว่าอุปะไปว่าเข้าไปอีขับไปว่าดูเข้าไปดูเข้าไปตามดูแต่ลงแปลว่าดูเฉยเฉยเข้าใจนะทีนี้ประเด็นต่อไปว่าในเมื่อเรามีสติสัมผชสชงคอยเฝ้าดูอาการ เชื่อมระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกอั น, นิจังทุกขังตามที่อยู่กับกายไม่ให้เข้าไปสู่จิตโดยไปตามดูว่าเราแช่ในอาการทั้งพอใจไม่พอจะชอบไม่ชอบไหมการเข้าไปดูความเพลินตรงนั้นเป็นสติสัมผัสชงมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกายกับจิตและถ้าเขาเป็นละตรงนั้นได้เป็นธรรมวิทยา ว่าการที่เราไม่สามารถจะห้ามความสบายไม่สบายของกายได้ใช่ไหมไม่สามารถจะห้ามได้เพราะมันเป็นกฎของอะไรอา น, นิจังมันต้องทำงานตลอดเวลาแต่การภาวนา น, นั้นเป็นการเข้าไปเฝ้าดูความสบายไม่สบายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายของรูปเนี่ยนะแล้วเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงมันโดยไม่เพลินใน เวลามันไม่สบายเราก็ไม่เกิดปฏิฆาหรือไม่ชอบเวลามันสบายเราก็ไม่เพลินในอาการนั้นเราก็ไม่แช่ทั้งสุขทั้งทุกการเฝ้าดูแล้วคอยบำบัดอย่างนี้เป็นสติสามพุชงใช่ไหมอ่าพอสติสามชุทโธถูกองต่อมามจะถูกหมดเลยธรรมะพยายาิยยะปีติปัจฉิปสมาทิเบรมจะถูกต้องหมดเลยแต่เพียงแต่ให้หวัวขบวนมันถูก มันเท่ารถมันมันหัวขบวนไปเร่องนี้จะมีกี่โบกี้ก็ตามมันไปตามกันหมดเลยใช่ไหมแต่หัวขบวนมันไปผิดทางกี่โบกี้ก็ผิดหมดธรให้สัมโพชฌงค์มันเป็นเจข้อถ้าหัวขบวนเป็นสมาสติหรือเป็นสติสัมโชฌงค์เนี่ยมันก็ไปด้วยกันหมดเลยอ่าแต่ที่เราท่านแจงเอาไว้ว่าทําไมต้องแจงว่าธรรมวิญะานอย่างนี้ปิติสถิให้รู้ว่าในโบกี้แต่ละโบกี้มันมีอะไรบ้างนั้นเอง แต่แน่นอนอะ่ะอยู่ที่หัวขบวนสําคัญหัวขบวนต้องเป็นสัมมาสตินะฮะเราเรียกว่าสติสมพุชง <c oughs> ดังนั้นเวลาเราทําความเพียรเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรมันผิดปกตินี่ เ, เราเราต้องปรับเปลี่ยนละเพราะถ้าไม่แน่ใจถ้าเลยไปกว่า น, นั้นเราจะเพลินหรือเปล่าที่เราปรับเปลี่ยนนี้เราไม่ได้ละความเราไม่ชอบไม่ชอบแต่เราต้องการละอะไรละความเพลิน เพราะความแช่ไป น, นานๆมันขี้เกียจเปลี่ยนมันก็เพลินในทุกเวทนาใช่ไหมความสบายนานๆเราแช่นานก็เป็นสุขเวทนาสุขทุกเวทนาที่เราเดี๋ยวไปเพลินมันปั๊บมันก็กลายเป็นความชอบหรือไม่ชอบตดูนั้นเป็นสมุทยัยละเรวอภิชาและทมนัตตามภาษาของเขานะแต่มันจะต้องผ่านตัวสูงทูมานัตทูมานัตก่อนก่อนที่จะเป็นอภิชาและโทูมานัตความความอพอใจไม่พอใจเสก่อนนะ ดังนั้นเองเมื่อกดใจรักมันทำงานตลอดเวลาการปฏิบัติของเราก็คือเข้าไปตามรู้กำหนดรู้กดใจรักที่มันทำงานเพื่ออะไรเพื่อที่จะละความเพลินในสุขในทุกที่จะไม่ไหลเข้าไปสู่จิตแต่ในเมื่อสติสัมปชัญญะเราไม่สมบูรณ์เนี่ยเราเระวังร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมไม่ได้บางส่วนมันก็เริ่มหลุดรอดเข้าไปแอบชอบแอบไม่ชอบอยู่ เราก็ต่างไปลาตรงนั้นอีกตามไปละตัณหาตรงนั้นอีกตามไปละความอยากแต่เราสติ ส, สมิญญาเราก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีใช่ไหมเราเระวังความพอใจไม่พอใจตัวความพอใจไม่พอใจชัดละเอียดมันก็ไหลลื่นต่อไปเป็นอะไรเป็นความอยากเป็นตัณหารกรรมวัดตัณหาเพราะวัดตัณหาไปเรื่อยๆนั้นความละเอียดของสติสมิญญจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะกลองไอไ้ตัว ไอ้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้จังรุ่ันณาทางรูปไม่ให้ไปสู่น้ําเนี่ยเราถึงใช้ความแยบขายท่านใช้กวาโยนี่สูงอนสิการเนี่ยเฝ้าดูด้วยแยบขายให้ละเอียดทั้งสามขั้นตอนความสบายนานไปนิดหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นความสบายไม่สบายขั้นกลางพอนานไปนิดหนึ่งมันก็เป็นความไม่สบายขั้นยากยากกลางละเอียดถ้าความไม่สบายขั้นละเอียดเราเรียกว่าสุขเวทนา แต่ความไม่สบายขั้นหยาบหรือว่าทุกขเวทนาเพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่บางครั้งมันทุกข์น้อยแล้วก็รู้สึกสบายใช่ไหมเขาเรียกว่าสุขเวทนาแต่พอทุกข์มันหยาบขึ้นแล้วว่าไม่สบายทนไม่ได้ก็เป็นทุกขเวทนามันก็มีผลต่อจิตแหละถ้าเป็นความสบายอยู่จิตก็ชอบถ้ารู้สึกไม่สบายจิตก็ไม่ชอบเป็นสมุทยัยตรงที่มันเป็นเกิดตรงนั้นพอเราพิจารณานี้ท่านใช้คําว่า วิริยะสามพุทธชมต่อจากตัวธรรมวิทยานะก็เป็นวิริยะสัมพุทชงวิริยะสัมพุทชมก็หมายถึงว่าจะต้องไปพิจารณา4ประการหนึ่งเฝ้าระวังความสุขทุกท่างละเอียดทั้งอยา่างให้ดีแต่เนื่องจากว่าสติสัมยายเรายังไม่สมบูรณ์คุณจะเฝ้าระวังขนาดไหนมันก็ยังเล็ดลอดอยู่ได้ มันเพไปเกิดเพื่อไปเกิดท่านใช้อันที่สองคือให้ตัดรู้ว่ามันเกิดนะรู้ว่าความพอใจคือให้ตัดทันทีเรียกว่าประหานประทานอันที่สองของธรรมวิชยานะทีนี้เราจะคอยปัดคอยตัดคอยแก้งั้นไม่ได้ไม่เวิร์กจะต้องพ่อพูนตัวความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเหมือนเราจะไฟฉายแค่ห้าเหลืองเทียนไปส่องของได้เห็นในที่มืด อ, อย่างนี้นะส่องเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นนะของมเล็กอะ แต่แสงไม่มพอวิธีการเขาเราทําไงก็จะไปเล่งแสงสว่างให้มันม า, มากขึ้นให้ชัดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปหาของเล็กๆได้เจอเหมือนกันไอความละเอียดอ่อนของอนิจจังทุกขังร่ า, างที่อยู่ทางกายบางครั้งในชั้นความสุขเวท น, นาเนี่ยมันเป็นทุกข์แบบละเอียดใช่ไหมแต่เรามองว่าเป็นสุขอะเราไม่ได้มองว่าเป็นทุกข์ตัวเนี้ยถ้าไม่เกิดตัวปัญญาที่สว่างคนนี้ปับ๊บมันก็จะมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราเห็นว่าเป็นสุขอยู่ดีเนื่องจา ก, กตัวย า, ยานปัญญาของเราเนี้ยังไม่สว่างพอเราก็ต้องมาทําตัวที่สามคือพัฒนาตัวรู้สึกตัวให้ชัดใช่ว่าประชานาติเมื่อมันชัดแล้วแล้วก็อยากจะให้มันสวา่างนี้ น, นานๆ น, น, นะไฟใช้แรงอ่อนนิดหน่อยเป็นไงเขาเปลี่ยนฐานใช่ไหมโดยที่รีดตหน่อยรีดไฟชาร์ตอย่างเงี้ย อันนี้คือพฤติกรรมประจําบันของเราใช่ไหมครัในลักษณะภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้สึกตัวความชัดเจีมันเริ่มอ่อนลงไปเรารีบเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนอะไรเ ป, เ, ปเปลี่ยนฐานคือเปลี่ยนไอเดียบทเปลี่ยนฐานก้อนใหม่นะก้อนเก่าไม่กี่มันเริ่มเฟืเริ่มเริ่มแสงสว่างเริ่มอ่อนละก็เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนจะก็ใช้มันจนไม่มีเหลือ น, น, นั่งแช่อยู่อย่างนั้นเดินกันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนอเดียบทจนฐานหมดอ่ะ พอถานหมดไปหาของไม่เจอแล้วทีเมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นนามลู่ประทังมากเลยที่มิจฉาบรรแต่ทํำไมเรายอมไปสู่นามาระทําไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าดวงตาทำเพราะเรายังไม่ยังไม่ไม่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวว่าไม่เกิดไม่เกิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สว่างเต็มที่นั้นเองมันก็จึงจับถูกบ้านผิีบ้านไปเรื่อยๆสองวันพอวันที่สิบเจ็นี้อาจจะปิดโปรแกรมไม่ใช่ทั้งวันนอาจจะทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมเพราะ คราวที่แล้วไปดูโปรแกรมตอนฉันเพนเสียนหลวงพ่อตกเครื่องเลยไม่ได้ <laughs> โอ้ไมได้เดี๋ยวนินจะไว้ใจไม่ได้ต้องไปแต่เช้าหน่อยก็แล้วกันทะ้งนั้นก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราได้ารายละเอียดที่เวลาเราภาวนาก็ง่ายขึ้นใช่ไหมคุณยิ่งเรื่องนี้หลพ่อจะตัดตอนเย็นนะตัดตอนเช้านั่นนะสองเรื่องนี้จะพอแล้วเดี๋ยวจะเบลอนะลสองสามเรื่องนี้ชักเราไม่ไหวเลยนะใช่ไหมก็ ตอนเย็นค่ยมาในเรื่องของสัมผัสชมต่อกแล้วกันอันนี้มันเพิ่งได้สามเรื่องคือสติสัมผัสชมธรรมะพิเศและไปสู่ทวิจัยวิริยะหน่อยหนึ่งนะก็ลองเอาไปทําให้ได้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะต่อถ้าทำมาได้เดี๋ยวมันเกิดปีติของมันเองคือเบาสบายโล่งปลงแต่ก็อย่าเพลินอีกนะก็พิจารณาไปว่ามันเทียมไหมก็ให้มันเกิดบ่อยๆก็ดีเผื่อว่าให้จิตของเรามีประสบการณ์เพราะมันเกิดภาวะอันนี้มันจะจิตแล้วก็จะมีกําลัง กำลังกูส้สวนเมื่อกี้จะเกิดการภาวนาต่อไปแล้วเรา ก, ก็ชับเร็วขึ้นในการสัมผัสอารมณ์ที่ดีดดน ะ, ะเราจะเรินจุกรมก่อนสักพักหนึ่งเนาะก่อนที่จะไ อ, ะอเซอซายลุกขึ้นเดิน